วันนี้ผมค<ม>งจะไม่พูดอะไรมากนะคงจะพูดคือเป็นห่วงหมู่พวกเพื่อนผู้ที่เข้ามาใหม่เหมือนกับแยกโบออกจากฝูงก็คงจะได้รับความว้าวีอ้างว้างเงียบเหงาก็ททำให้จิตใจปุงฟุง้งซ่านก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันเพราะเข้ามา ศึกษาเข้ามาใหม่จะทำยังไงจะปรับใจยังไงจึงจะเข้ากับสถานการณ์การเป็นอยู่นั้นๆได้เพราะนั้นผมเองก็เป็นห่วงเรื่องการเป็นอยู่ของหมู่คณะถึงได้มาประชุมแล้วก็พร้อมกันก็อยากจะให้หมู่พกเพื่อนได้รับการศึกษาเกี่ยวกับ ขวินัยนะเพราะว่าบวชมาได้หลายวันอยากจะให้ศึกษาหรือว่าได้ฟังเกี่ยวกับวินัยบัญญัติสินสองยีเจดข้อนั้นมีอะไรบ้างแต่ถ้าอยากจะให้พวกเราเป็นคนอ่านเองศึกษาเองก็คงจะไม่เพียงพอเพราะนั้นคงจะวันนี้ก็คงจ ะ, จ ะ, จะให้พระ คูบาอ่านพระวินัยให้ฟังพวินัยก็คือกฎหมายปกครองด้วยศีลของพระนั่นเองเพราะนั้นเมื่อผมพูดจบแล้วก็คงจะให้พระอ่านาวินัยให้ฟังเมื่ออ่านาวินัยจบลงแล้วก็จะให้เปิดเป็นเอ็มพสทดลองลอีกว่าการอบรมในครั้งก่อนๆนั้น เป็นยังไงจะให้หมูพวกเพื่อนได้ยินได้ฟังถึงจะเป็นของเก่าข้การเป็นการศึกษาธรรมะไม่ใช่ของเก่าถ้าจะว่าเป็นของเก่าก็าใช่อะไรธรร ม, ร, ธรมะเป็นของเก่าเอสัทัมโมสนันตโนพระธรรมเป็นของเก่าแต่ตามไม่จริงมันเป็นของเก่าดั้งเดิมมานั่นแหะ ไม่พพระธรรมไม่ใช่ของใหม่เป็นของเก่าเอาของเก่ามาโพดเหมือนกับข้าวอย่างนี้แหละอข้าวน้ําโพชนาะอาหารถ้าจะว่าใหม่ก็คือใหม่ถ้าจะว่าเก่ามันก็เกิดขึ้นมากับโลกเป็นอยู่อย่างนี้แหละอโลกวัตฏะทรงสามนีกับมีข้าวน้ําโพชนาะอาหารอันนี้ก็เหมือนกันทำกับธรรมรร ม, มันก็เป็นของคู่กันมา อธรรมคือความไม่ถูกต้องทคอ็คือราเกตผลก็เป็นคู่กันมาอยู่อย่างนี้โล ก, กนี้ถ้ามีแต่อธรรมอย่างเดียวโลกทั้งโลกก็เดือดร้อนวุ่นวายถ้ามีธรรมอย่างเดียวโลกนี้ก็คงจะหมดเนสําเร็จเสร็จสิ้นไปหมดเป็นพระอรหันไปหมดเพราะนั้นมันจึงมีอยู่อย่างนี้ทำกับอธรรมโลก ปัตจสงสารของพวกเราเพราะนั้นวันนี้พวกเราก็ได้มาร่วมกันไปชมนะอันดับต่อไปในผมอยากจะให้เพื่อไม่ให้เสียเวลานา น, านอยากจะให้หมูให้พระมหามรุอันวินัยบรรจัตนะตั้งแต่อนุสัจจนถึงเสกียวัรนะให้จบจบวินัยบัญจัต อ่านว่าสิเป็นยังไงเพื่อให้หมูได้ฟังนะเอาตั้งใจฟังนะหมูพกเพื่อนนะวินัยบัญญัติอนุสัตร์8ดอย่างนิสัยสี่อรณียกิจสี่ปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิตเรียกดิไซมีสี่อย่างคือเที่ยวบินธบาต1หนึ่งน่งห่มผ้าบางสกุลหนึ่งอยู่โคลนไม้หนึ่งฉัญญาดองด้วยน้ำมูดเฒ่าหนึ่งกิจที่ไม่ควรทำเรียกอกรณียกิจมีสี่อย่างคือ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 เรียกว่าอาบัตอาบัตินั้นว่าโดยชื่อมีเจอย่างคือปาราชิกหนึ่งสังฆาทิเศตหนึ่งทุลุดใจหนึ่งปาจิตตีหนึ่งปาติเทสนิยะหนึ่งทุกกฎหนึ่งทุกภาสิกหนึ่งปาราชิกนั้นภิกษุต้องเข้าแล้วขาดจากภิกษุสังฆาทิเศตนั้นต้องเข้าแล้วต้องอยู่กรรมจึงพ้นได้อาบัติอีกหอย่างนั้นภิกษุต้องเข้าแล้วต้องแสดงต่อหน้าสงฆ์หรือคณะหรือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งจึงพ้นได้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 สิขาบทที่มาในพระปาติโบกนั้นคือปรารชิกสสังฆาทิเศษส3สามอนิยตสองนิสกิยาปาจิตตอ30ปาจิตติ92ปาติเทส 4, เสนยะสเิยาเจสิบห้รวมเป็น220นับทั้งอธิกรณะสมถะด้วยเป็น2 2 7ปรปารชิก4หนึ่งภิกษุเสพเมถุนต้องปรารชิก 2. ภิกษุถือเอาของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ ได้ราคาห้ามสุกต้องปาราชิก3ภิกษุแกล้งฆ่ามนุษย์ให้ตายต้องปาราชิก4ภิกษุบดอุตริมนุสธรรมคือทำอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนต้องปาราชิกสังฆาทิเศษสิบสามหภิกษุแกล้งทำให้น้ำอสุจิเคลื่อนต้องสังฆาทิเศษสอภิกษุมีความกำหนัดอยู่จับต้องกายหญิงต้องสังฆาทิเศษสาภิกษุมีความกำหนัดอยู่พูดเกี้ยวหญิงต้องสังฆาทิเศษ 4. ภิกษุมีความกำหนัดอยู่พูดล่อให้หญิงบำเรอตนด้วยกามต้องสังฆาทิเศษ 5. ภิกษุชักสือให้ชายหญิงเป็นผัวเมียกันต้องสังฆาทิเศษ 6. ภิกษุสร้างกุฏิที่ต้องก่อและ บ, บกด้วยปูนหรือดินซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของจำเพาะเป็นที่อยู่ของตนต้องทำให้ได้ประมาณโดยยาวเพียง12คืบพระสุคตโดยกว้างเพียง7็ดคืบ วัดในร่วมในและต้องให้สงสแดงที่ให้ก่อนถ้าไม่ให้สงสแดงที่ให้ก็ดีทำให้เกินประมาณก็ดีต้องสังขาทิเศตเจ็าที่อยู่ซึ่งจะสร้างขึ้นนั้นมีทายกเป็นเจ้าของทำให้เกินประมาณนั้นได้แต่ต้องให้สงสแดงที่ให้ก่อนถ้าไม่ให้สงสแดงที่ให้ก่อนต้องสังขาทิเศติกษุโกรธเคืองแกล้งโจดพิสูจอื่นด้วยอาบัติปาราชิกไม่มีมูลต้องสังขาทิเศ เกพิสูุโกรธเคืองแกล้งหาเล่จทพิสูจน์อื่นด้วยอาบัติปาราชิกต้องสังฆาทิเศษ10ภิกษุภาคเพลียนเพื่อจะทําลายสงให้แตกกันพิกษุอื่นห้าไม่ฟังสงสวดกรรมเพื่อจะให้ละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังฆาทิเศษ11บพิกษุประพฤติตามภิกษุผู้ทําลายสงนั้นพิกษุอื่นห้าไม่ฟังสงสวดกรรมเพื่อจะให้ละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังฆาทิเศษ สิบสองิสุวายยากสอนยากภิกสุอื่นห้าไม่ฟังสงสวดกรรมเพื่อจะให้ละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังคาริเศสิบสามภิสุปุถุสลายสกตกุลคือประจบคฤรือหัดสงไล่เสียจากวัดกลับว่าติเตียนสงภิกสุอื่นห้าไม่ฟังสงสวดกรรมเพื่อจะให้ละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังขาริเศตอนียศสองหนึ่ง ภิกษุนั่งในที่รับตากับหญิงสองต่อสองถ้ามีคนที่ควรเชื่อถือได้มาพูดขึ้นด้วยธรรมสมอย่างคือปาราชิกหรือสังคาทิเศตหรือปาจิตติอย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุรับอย่างใดให้ปรับอย่างนั้นหรือเขาว่าจำเพาะทำอย่างใดให้ปรับอย่างนั้น 2. อภิกษุนั่งในที่รับหูกับหญิงสองต่อสองถ้ามีคนที่ควรเชื่อได้มาพูดขึ้นด้วยธรรมสองอย่างคือ สังคาทิเศษหรือปาจิตติอย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุรับอย่างใดให้ปรับอย่างนั้นหรือเขาว่าจำเพาะทำอย่างใดให้ปรับอย่างนั้นนิสสคียาปาจิตติสามแบ่งเป็นสามวักมีวรละสิบสิขาบทจีวรวักที่หนึ่งหงภิกษุทรงอติเรกจีวรได้เพียงสิบวันเป็นอย่างยิ่งถ้าล่วงสิบวันไปต้องนิสสคียาปาจิตติสอ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 สี่พิสูช้นางพิกษุนีที่ไม่ใช่ญาติให้ซักก็ดีให้ย้อมก็ดีให้ทุกก็ดีซึ่งจีวรเก่าต้องนิสักเคียปาจิตตี 5. ภิกษุรับจีวรแต่มือนางภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติเว้นไม้แต่แลกเปลี่ยนกันต้องนิสักเคียปาจิตตี 6. ภิกษุขอจีวรต่อครือหัดผู้ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาได้มาต้องนิสักเคียปาจิตตี เว้นไว้แต่มีสมัยที่จะขอจีวรได้คือเวลาภิกษุมีจีวร อ, อันจนลับไปหรือมีจีวร อ, อชิพหายเสีย 7. จในสมัยเช่นนั้นจะขอเขาได้เพียงผ้านุ่งผ้าห่มเท่านั้นถ้าขอให้เกินกว่านั้นได้มาต้องนิสักเทียปาจิตตีแปดถ้าครือหัดที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาเขาพูดว่าเขาจะถวายจีวรแกภิกษุชื่อนี้ภิกษุนั้นทราบความแล้ว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 ถ้าใครๆนำทรัพย์มาเพื่อค่าจีวรแล้วถามภิกษุว่าใครเป็นวายาวจักรของเธอถ้าภิกษุต้องการจีวรก็พึงแสดงคนวัดหรืออุบาสกว่าผู้นี้เป็นวายาวจักรของภิกษุทั้งหลายครั้นเขามอบหมายวายาวจักรนั้นแล้วสั่งภิกษุว่าถ้าต้องการจีวรให้เข้าไปหาวายาวจักรภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาเขาแล้วทวงว่าเราต้องการจีวรดังนี้ได้สามครั้ง ถ้าไม่ได้จีวอลไปยืนแต่พอเขาเห็นได้หกครั้งถ้าไม่ได้คืนไปทวงให้เกินสามครั้งยืนเกินหกครั้งได้มาต้องนิสักคียปานจิตตีถ้าไปทวงหรือยืนครบกำหนดแล้วไม่ได้จีบอลจำเป็นต้องไปบอกเจ้าของเดิมว่าของนั้นไม่สำเร็จประโยชน์แก่ตนให้เขาเรียกเอาของคืนเขามาเสียโกศิยวัณ์ที่สอง หภิกษุรอสันถัดด้วยขนเจียมเจอด้วยใหม่ต้องนิสักเคียปาจิตตี 2. อภิกษุรอสันถัดด้วยขนเจียมดันล้วนต้องนิสักเคียปาจิตตี3าภิกษุจะรอสันถัดใหม่พึงใช้ขนเจียมดำสองส่วนขนเจียมขาวส่วนหนึ่งขนเจียมแดงส่วนหนึ่งถ้าใช้ขนเจียมดำเกินสองส่วนขึ้นไปต้องนิสักเคียปาจิตตีสี่ภิกษุรอสันถัดใหม่แล้วพึงใช้ให้ได้6ปี ถ้ายังไม่ถึงหกปีลอใหม่ต้องนิสักเคียปาจิตตีเว้นไว้แต่ได้สมมุติห้าภิกษุจะลอสันถัดพึงตัดเอาสันถัดเก่าคืบหนึ่งโดยรอบมาปน ล, ลงในสันถัดที่ลอใหม่เพื่อจะทำลายให้เสียสีถ้าไม่ทำดังนี้ต้องนิสักเคียปาจิตตี 6. เมื่อภิกษุเดินทางไกลถ้ามีใครถาวายขนเจียมต้องการก็รับได้ถ้าไม่มีใครนามา นำมาเองได้เพียงสามยอดถ้าให้เกินสามยอดไปต้องนิสักเคียปาจิตตีเจ 7. พิกษุใช้นาภพิกษุนีที่ไม่ใช่ญาติให้สักก็ดีให้ยอมก็ดีให้สางก็ดีซึ่งขนเจียมต้องนิสักเคียปาจิตตีแป 8. พิกษุรับเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นรับก็ดีซึ่งทองและเงินหรือยินดีทองและเงินที่เขาเก็บไว้เพื่อตนต้องนิสักคียปาจิตตีเกิกษุทาการซื้อขายด้วยรูปยะ คือของที่เขาใช้เป็นทองและเงินต้องนิสสักคียะปาจิตตี10บภิกษุแรกเปลี่ยนสิ่งของกับค้าเรือหัดต้องนิสสักคียะปาจิตตีปัตตวัคที่3 1. บาดนอกจากบาดอธิษฐานเรียกอติเลกบาตรอติเลกบาตนั้นภิกษุเก็บไว้ได้เพียงสิบวันเป็นอย่างยิ่งถ้าให้ล่วงเสียวันไปต้องนิสสักคียะปาจิตตี 2. ภิกษุมีบาตรร้ายังไม่ถึง10นิ้ว ขอบาทใหม่แต่เครือหัดที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาได้มาต้องนิสักคียะปาจิตตีสภิกษุรับประเคนเภสัช ท, ทั้งห้าคือเนอยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยแล้วเก็บไว้ฉันได้เพียงจิตวันเป็นอย่างยิ่งถ้าให้ล่วงเจ็ดวันไปต้องนิสักคียปาจิตตีี 4. เมื่อดูรูร้อนยังเหลืออยู่อีกเดือนหนึ่งคือตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งเดือนเจ็จึงแสวงหาผ้าอาบน้ำฝนได้ เมื่อฤดูร้อนหรืออยู่อีกกึ่งเดือนคือตั้งแต่ขึ้นค่ำหนึ่งเดือน8จึงทำนุ่งหงษได้ถ้าสแสวงหาหรือทำนุ่งให้ล้ำกว่ากำหนดนั้นเข้ามาต้องนิสักคียปาจิตตี 5. ภิกษุให้จีบอลแก่ภิกษุอื่นแล้วโกรธชิงเอาคืนมาเองก็ดีใช้ให้ผู้่นชิงเอามาก็ดีต้องนิสักคียาปาจิตตี 6. ภิกษุขอได้แต่เครือหัดที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณา เอามาให้ช่างหูกทอเป็นจีวรต้องนิสักคียาปาจิตตีเจ็ 7. ถ้าเครืหัดที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาสั่งให้ช่างหูกทอจีวรเพื่อจะถวายแก่ภิกษุถ้าภิกษุไปกําหนดให้เขาทําให้ดีขึ้นด้วยจะให้รางวัลแก่เขาต้องนิสักคียาปาจิตตีแปดถ้าอีกสิบวันจะถึงวันปวารณาคือตั้งแต่ขึ้น6กค่าเดือนสิบอ็ด ถ้าทา ย, ยกรีบจะถวายผ้าจำนำพรรษาก็รับเก็บไว้ได้แต่ถ้าเก็บไว้เกินการจีวรไปต้องนิสักคียปาจิตตีการจีวร น, นั้นดังนี้ถ้าจำพรรษาแล้วไม่ได้การกรถินนับแต่วันปวารณาไปเดือนหนึ่งคือตั้งแต่แรมค่ำหนเดือน1ิถึงการเดือน12ถ้าได้ถ้าได้การกรถินนับแต่วันปวารณาไป5เดือนคือตั้งแต่แรมค่ํา1เดือน11ถึงกลางเดือน4 9 ภิกษุจำพรรษาในเซนาสนะป่าซึ่งเป็นที่เปลี่ยวออกพรรษาแล้วอยากจะเก็บไตจีวรผพื้นใดพื้นหนึ่งไว้ในบ้านเมื่อมีเหตุก็เก็บไว้ได้เพียงหกคืนเป็นอย่างยิ่งถ้าเก็บไว้ให้เกินหกคืนไปต้องนิสักคียปาจิตตีเว้นไว้แต่ได้สมมุติ 10. ภิกษุรู้อยู่น้อมราบที่เขาจะถวายสงมาเพื่อตนต้องนิสักคียปาจิตตีปาจิตจตีสิสิกขาบท มุสาวาทวัรคที่ 1, หนึ่งมี10บี่คาบท1พูดปดต้องปาจิตตี2ด่าภิกษุต้องปาจิตตี 3. สอเสียภิกษุต้องปาจิตตี 4. ภิกษุสอนทำแก่อนุปปสัมบันิถ้าว่าพร้อมกันต้องปาจิตตี 5. ้ภิกษุนอนในที่มุงที่บางอันเดียวกันกับอนุปปสัมบันิเกิน3มคืนขึ้นไปต้องปาจิตตี 6. กภิกษุนอนในที่มุงที่บางอันเดียวกันกับผู้หญิง แม้ในคืนแรกต้องปาจิตตี 7. ภิกษุแสดงธรรมแก่ผู้หญิงเกินกว่าหกคำขึ้นไปต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่มีบุรุษผู้รู้รฤกษ์ษาอยู่ด้วย 8. ภิกษุบอกอุตริมนุสสธรรมที่มีจริงแก่อนุปสัสมบันต้องปาจิตตี 9. ภิกษุบอกอาบัตช่วยหยาบของภิกษุอื่นแก่อุปสัสมบันต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่ได้สมมุติ 10. ภิกษุขุดเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นขุดก็ดีซึ่งแผ่นดินต้องปาจิตตีภูตคามวัคที่สองมีสิบสิขาบท 1. ภิกษุพระของเขียวซึ่งเกิดอยู่กับที่ให้หลุดจากที่ต้องปาจิตตี 2. ภิกษุประพฤตอนาจยา์ทรงเล็กตัวมาถามแกล่งพูดกลบเกลื่อนก็ดีนิ่งเสียไม่พูดก็ดีถ้าสงสวดประกาศข้อความนั้นจบต้องปาจิตตี 3. ภิกษุติเตียนภิกษุอื่นที่สงสมมติให้เป็นผู้ทำการสงถ้าเธอทำโดยชอบติเตียนเปล่าๆต้องปาจิตตี 4- ีภิกษุเอาเตียงต่างฟูกเก้าอี้ของสงไปตั้งในที่แจ้งแล้วเมื่อหลีกไปจากที่นั้นไม่เก็บเองก็ดีไม่ใช้ให้ผู้อื่นเก็บก็ดีไม่มอบหมายแก่ผู้อื่นก็ดีต้องปาจิตตีห้าภิกษุเอาที่นอนของสงปูนอนในกุฏิสงแล้ว เมื่อหลีกไปจากที่นั้นไม่เก็บเองก็ดีไม่ใช้ให้ผู้อื่นเก็บก็ดีไม่มอบหมายแก่ผู้อื่นก็ดีต้องปาจิตตีกุตีนี้มีผู้อยู่ก่อนแล้วแกล้งไปนอนเบียดด้วยหวังจะให้ผู้อยู่ก่อนคับแคบใจก็จะหลีกไปเองต้องปาจิตตีเจ็ดภิกษุโกรธเคืองภิกษุอื่นฉุดฆ่าไล่ออกจากกุตีสงต้องปาจิตตี8ภิกษุนั่งทับก็ดีนอนทับก็ดีบนเตียงก็ดีบนตังก็ดี อันมีท้าไม่ได้ตรึงให้แน่นซึ่งเขาวางไว้บนร่างร้านที่เขาเก็บของในกุฎีต้องปาจิตตีเก้าภิกษุจะเอาดินหรือปูนโบกหลังคากุฎีพึงโบกได้แต่เพียงสามชั้นถ้าโบกเกินกว่านั้นต้องปาจิตตีสิ 10. ภิกษุรู้อยู่ว่าน้ำมีตัวสัตว์เอารถหญ้าหรือดินต้องปาจิตตีโอวาตักที่3มีสิบสิขาบท หนพิกษุที่สูงไม่ได้สมมุติสั่งสอนนางพิกษุน์ีต้องปลาจิตตีสองพิกษุแม้พิกษุที่สูงสมมุติแล้วตั้งแต่อาทิตย์ตกแล nope ้วไปสอนนางพิกษุณีต้องปลาจิตตีสามพิกษุเข้าไปสอนนางพิกษุนีถึงในที่อยู่ต้องปลาจิตตีเว้นไว้แต่นางพิสูจนี้เจ็บสีพิกษุเตี๋ยเตียนพิสูุอื่นว่าสอนนางพิกษุณีเพราะเห็นแก่ลาบต้องปาจิตตีห้า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 เว้นไว้แต่ข้ามฟาก 9. กภิกษุรู้อยู่ฉันของเคียวของฉันที่นางภิกษุณีบังคับให้เครือหัดเขาถวายต้องปาจิตติเว้นไว้แต่เครือหัดเขาเริ่มไว้ก่อน 10. ภิกษุนั่งก็ดีนอนก็ดีในที่รับสองต่อสองกับนางภิกษุณีต้องปาจิตติโภชนาวัตรที่4มี10 ส, สิขาบท 1. อาหารในรงทานที่ทั่วไปไม่นิยมบุคคล ภิกษุไม่เจ็บไข้ฉันได้แต่เฉพาะวันเดียวแล้วต้องหยุดเสียในระหว่างต่อไปจริงฉันได้อีกถ้าฉันติดติดกันตั้งแต่สองวันขึ้นไปต้องปาจิตตี 2. ถ้าทายกเขามานิมนต์ออกชื่อโพชนะทั้งห้าอย่างคือข้าวสุดขนมสุดขนมแห้งปลาเนื้ออย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไปรับของนั้นมาหรือฉันของนั้นพร้อมกันตั้งแต่สีรูปขึ้นไปต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่สมัยคือ เป็นไข้ยอย่างหนึ่งน่าจีวรการอย่างหนึ่งเวลาทําจีวร อ, อย่างหนึ่งเดินทางไกลยอย่างหนึ่งไปทางเรืออย่างหนึ่งอยู่มากด้วยกันบินทบาทไม่พอฉันอย่างหนึ่งโพชนะเป็นของสมณะอย่างหนึ่ง 3. ามทิสุรับนิมนต์แห่งหนึ่งด้วยโพชนะทั้งห้าอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่ไปฉันในที่นิมนต์นั้นไปฉันเสียที่อื่นต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่ยกส่วน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 เข้ามาประเคนห้ามเสียแล้วลุกจากที่นั่งนั้นแล้วฉันของเคี้ยวของฉันที่ไม่เป็นเดนภิกษุไขหรือไม่ได้ทําวินัยกรรมต้องปาจิตตี 6. กภิกษุรู้อยู่ว่าภิกษุอื่นภิกษุอื่นห้ามข้าวแล้วตามสิกขาบทหลังคิดจะยกโทษเธอแกล้งเอาของเคี้ยวของฉันที่ไม่เป็นเดนภิกษุไขไปล่อให้เธอฉันถ้าเธอฉันแล้วต้องปาจิตตี7 ภิกษุฉันของเขี้ยวของฉันที่เป็นอาหารในเวลาวิการคือตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงวันใหม่ต้องปาจิตตี 8. ภิกษุฉันของเขี้ยวของฉันที่เป็นอาหารซึ่งรับประเค้นไว้ค้างคืนต้องปาจิตตี 9. ภิกษุขอโภชนะอันประณีตคือข้าวสุกละคนด้วยเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ ำ, นำพึ่งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดนมส้มต่อเครือหัดที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาเอามาฉันต้องปาจิตตี 10. ภิกษุเกลื่นกินอาหารที่ไม่มีผู้ให้คือยังไม่ได้รับประเคนให้ล่วงทวารปากเข้าไปต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่น้ำและไม้สีฟันอจเจรกะวรักที่5มีสิบสิขาบท 1. ภิกษุให้ของเขียวของฉันแก่นักบวชนอกศาสนาด้วยมือตอนต้องปาจิตติสภิกษุชวนภิกษุอื่นไปเที่ยวบินธบดีด้วยกันหวังจะประพฤตอนาจารไล่เธอกลับมาเสียต้องปาจิตติ ภิกษุสำเร็จการนั่งแทรกแซงในสกุลที่กำลังบริโภคอาหารอยู่ต้องปาจิตตี 4. ภิกษุนั่งอยู่ในห้องกับผู้หญิงไม่มีผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนต้องปาจิตตี 5. ภิกษุนั่งในที่แจ้งกับผู้หญิงสองต่อสองต้องปาจิตตี 6. ภิกษุรับนิมนต์ได้โภชนะทั้ง5แล้วจะไปในที่อื่นจากที่นิมนต์นั้นในเวลาก่อนฉันก็ดีฉันกลับมาแล้วก็ดี ต้องลาภิกษุที่มีอยู่ในวัดก่อนจึงจะไปได้ถ้าไม่ลาก่อนเที่ยวไปต้องปาจิตติเว้นไว้แต่สมัยคือจีวรการและเวลาทําจีวร 7. ถ้าเขาปวารณาด้วยปัจจัยสี่เพียงสี่เดือนพึงขอเขาได้เพียงกําหนดนั้นเท่านั้นถ้าขอเขาให้เกินกว่ากําหนดนั้นไปต้องปาจิตติเว้นไว้แต่เขาปวารณาอีกหรือปวารณาเป็นนิด 8. ภิกสุไปดูกระบวนทัพที่เขายกไปเพื่อจะรบกันต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่มีเหตุ 9. ถ้าเหตุที่ต้องไปมีอยู่พึงไปอยู่ได้ในกองทัพเพียงสมวันถ้าอยู่ให้เกินกว่ากำหนดนั้นต้องปาจิตติสในเวลาที่อยู่ในกองทัพตามกำหนดนั้นถ้าไปดูเขารบกันก็ดีหรือดูเขาตรวจพวนก็ดีดูเขาจัดกระบวนทัพก็ดี ดูหมูเสนาที่จัดเป็นกระบวนแล้วก็ดีต้องปาจิตตีสุราปานวัคที่หกมี10ศิขาบท 1. ภิกษุดื่มน้ำเมาต้องปาจิตตี 2. ภิกษุจี้ภิกษุต้องปาจิตตี 3. ภิกษุไหว้น้ำเล่นต้องปาจิตตี 4. ีภิกษุแสดงความไม่อื้อเฟือในวินัยต้องปาจิตตี 5. ภิกษุหลอนภิกษุให้กลัวผีต้องปาจิตตี 6. ภิกษุไม่เป็นไข้ ติดไฟให้เป็นเปลวเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นติดก็ดีเพื่อจะผิงต้องปาจิตตีติดเพื่อเหตุอื่นไม่เป็นอาบัติ 7. ภิกษุอยู่ในมัชฌิมประเทศคือจังหวัดกลางแห่งประเทศอินเดียสิห้าวันจึงอาบน้ำได้ ห, น, หนึ่งถ้ายังไม่ถึง15หวันอาบน้ำต้องปาจิตตีเว้นไวแต่มีเหตุจำเป็นในปัจจันตประเทศเช่นประเทศเราอาบน้ำได้เป็นนิดไม่เป็นอาบัติ 8. ภิกษุได้จีวรใหม่มา ต้องพินทุด้วยสีสามอย่างคือเขียวคลามโคนดำคำ้าอย่างในอย่างหนึ่งก่อนจึงนึ่งห่มได้ถ้าไม่ทำพินทุก่อนแล้วนึ่งห่มต้องปาจิตตี 9. ้ภิกษุวิกับจีวรแก่ภิกษุหรือสามเณรแล้วผู้รับยังไม่ได้ถอนนึ่งห่มจีวร น, นั้นต้องปาจิตตี 10. บภิกษุซ่อนบริขารคือบาทจีวรผ้าปูนั่งกล่องเข็มประคดเอวสิ่งใดสิ่งหนึ่งของภิกษุอื่น ด้วยคิดว่าจะล้อเล่นต้องปาจิตตีสั ป, ปานวักที่7มีสิบสิขาบท 1. ภิกษุแกล้งฆ่าสัตว์ดีแลฉันต้องปาจิตตี 2. ภิกษุรู้อยู่ว่าน้ํามีตัวสัตว์บริโภคน้ํานั้นต้องปาจิตตี 3. ภิกษุรู้อยู่ว่าอาธิกรณ์นี้สงทําแล้วโดยชอบเลิกถอนเสียกลับทําใหม่ต้องปาจิตตี 4. ภิกษุรู้อยู่แกล้งปกปิดอาบัติช่วยหยาบของภิกษุอื่นต้องปาจิตตี ห้ิกษุรู้อยู่เป็นอุปชายะอุปสมบทกลุล บ, บุตรผู้มีอายุอ่อนกว่า20ปีต้องปาจิตตี 6. ภิกษุรู้อยู่ชวนพ่อค้าผู้ซ่อนภาษีเดินทางด้วยกันแม้สินระยะบ้านหนึ่งต้องปาจิตตี 7. ภิกษุชวนผู้หญิงเดินทางด้วยกันแม้สินระยะบ้านหนึ่งต้องปาจิตตี 8. ภิกษุกล่าวคัดค้านธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าภิกษุอื่นห้าไม่ฟัง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 สหธรรมิกาวัคที่8เม12สิกขาบท 1. ภิกษุประพฤตอนาจารภิกษุอื่นตักเตือนพูดผัดเพี้ยนว่ายังไม่ได้ถามท่านผู้รู้ก่อนข้าพระเจ้าจักไม่ศึกษาในสิกขาบทนี้ต้องปาจิตตีธรรมดาภิกษุผู้ศึกษายังไม่รู้สิ่งใดควรจะรู้สิ่งนั้นควรแต่ถามไล่เลียงท่านผู้รู้ 2. ภิษุอื่นท่องปาติโมกยู ภิกษุแกล้งพูดให้เธอคลายอุตสาหะต้องปาจิตตี 3. ภิกษุต้องอาบัตแล้วแกล้งพูดว่าข้าพเจ้าเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าข้อนี้มาในพระปาติโมกถ้าภิกษุอื่นรู้อยู่ว่าเธอเคยรู้มาก่อนแล้วแต่แกล้งพูดกันเขาว่าเพิ่งสวดประกาศความข้อนั้นเมื่อสวดประกาศแล้วแกล้งทำไม่รู้อีกต้องปาจิตตีสี่ภิกษุโกรธ ให้ประหารแก่ภิกษุอื่นต้องปาจิตตี 5. ภิกษุโกรธเงื้อมือดุดให้ประหารแก่ภิกษุอื่นต้องปาจิตตี 6. ภิกษุโจรฟ้องภิกษุอื่นด้วยอาบัติสังฆาทิเศษไม่มีมูลต้องปาจิตตี 7. ภิกษุแกล้งก่อความรำคาญให้เกิดแก่ภิกษุอื่นต้องปาจิตตี 8. เมื่อภิกษุวิวาทกันอยู่ภิกษุไปแอบฟังความเพื่อจะได้รู้ว่า เขาว่าอะไรตนหรือพวกของตนต้องปาจิตตี 9. ภิกษุให้ชันทะคือความยอมให้ทําสังฆกรรมที่เป็นธรรมแล้วภายหลังกลับติเตียนสงฆ์ผู้ทํากรรมนั้นต้องปาจิตตี10เมื่อสงฆ์กำลังประชุมกันตัดสินข้อความข้อหนึ่งภิกษุใดอยู่ในที่ประชุมนั้นจะลีกไปในขณะที่ตัดสินข้อนั้นยังไม่เสร็จไม่ให้ชันทะก่อนลุกไปเสียต้องปาจิตตี11 ภิกษุพร้อมกับสงฆ์ให้เจวันเป็นบําเน็จแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งแล้วภายหลังกลับติเตียนภิกษุอื่นว่าให้เพราะเห็นแก่หน้ากันต้องปาจิตติสิบภิกษุรูย้อยู่น้อมลาบที่ท้า ย, ยกเขาตั้งใจจะสวายสง์มาเพื่อบุคคลต้องปาจิตติรัตนวัครที่9มีสิสิขาบท 1. ภิกษุมาได้รับอนุญาตก่อนเข้าไปในห้องที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จอยู่กับพระมเหสีต้องปาจิตติสอง ภิกษุเห็นเครื่องบริโภคของก็เลือหัดตกอยู่ถือเอาเป็นของเก็บได้เองก็ดีให้ผู้อื่นถือเอาก็ดีต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่ของนั้นตกอยู่ในวัดหรือในที่อาศัยไว้ให้แก่เจ้าของถ้าไม่เก็บต้องทุกข์กดสามภิกษุไม่บอกลาภิกษุอื่นที่มีอยู่ในวัดก่อนเข้าไปในบ้านในเวลาวิการต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่การด่วน 4. ภิกษุทากองเข็ม ด้วยกระดูกก็ดีด้วยงาก็ดีด้วยเขาก็ดีต้องปาจิตตีต้องต่อยกลองนั้นเสียก่อนจึงแสดงอาบัตตก 5. ภิกษุทำเตียงหรือตั้งพึงทำให้มีเท้าเพียงแปดนิ้วพระสุคตเว้นไว้แต่แม่แคร่ถ้าทำให้เกินกำหนดนี้ต้องปาจิตตีต้องตัดให้ได้ประมาณเสียก่อนจึงแสดงอาบัตตก 6. ภิกษุทำเตียงหรือตังหุ้มนุ่นต้องปาจิตตี ต้องหรือเสียก่อนจึงแสดงอาบัตตก7จภิกษุทําผ้าปูนั่งพึงทําให้ได้ประมาณประมาณนั้นยาวสองคืบพระสุคตกว้างคืบครึ่งชายคืบหนึ่งถ้าทําให้เกินกําหนดนี้ต้องปาจิตตีต้องตัดให้ได้ประมาณเสียก่อนจึงสแสดงอาบัตตก 8. ภิกษุทําผ้าปิดแผลพึงทําให้ได้ประมาณประมาณนั้นยาวสี่คืบพระสุคตกว้างสองคืบ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 เกินกว่านั้นก็ดีต้องปาจิตตีประมาณจีวรพระสุคตนั้นยาว9้าคืบพระสุคตกว้างหคืบต้องตัดให้ได้ประมาณเสียก่อนจึงแสดงอาบัตตกปาติเทสนิยะสีหนึ่งภิกษุรับของเขียวของฉันแต่มือนางภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติด้วยมือของตนมาบริโภคต้องปาติเทสนิยะสองภิกษุฉันอยู่ในที่นิมนต์ถ้ามีนางภิกษุณีมาสั่งทา ย, ยกให้เอา สิ่งนั้นสิ่งนี้มาถวายเธอพึงไล่นางภิกษุนีนั้นให้ถอยไปเสียถ้าไม่ไล่ต้องปาติเทศนิยะ 3. ภิกษุไม่เป็นไข้เขาไม่ได้นิมนต์รับของเขียวของฉันในตะะกนที่สงสมมติว่าเป็นเสคะมาบริโภคต้องปาติเทศนิยะ 4. ภิกษุอยู่ในเสนาสนัป่าเป็นที่เปลี่ยวไม่เป็นไข่รับของเคี้ยวของฉันที่ทายกมาได้แจ้งความให้ทราบก่อน ด้วยมือของตนมาบริโภคต้องปาฏิเทสนิยะเสกียวัตรวัดที่ภิกษุจะต้องศึกษาเรียกว่าเสกียวัตรเสกียวัตนั้นจัดเป็นสหมวดหมวดที่หนึ่งเรียกว่าสารูปหมวดที่สองเรียกว่าโภชนะปฏิสังยุตต์หมวดที่สเรียกว่าธรรมเทศนาปฏิสังยุตต์หมวดที่สเรียกว่าปกิิญกะสารูปที่หนึ่งมี26่สิงสภิกษุพึงทําความศึกษาว่าเราจัดนุ่งห่มให้เรียบร้อย 3- าสี่ ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักปิดกายด้วยดีไปนั่งในบ้าน5้าหภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักระวังมือเท้าด้วยดีไปนั่งในบ้าน78็ดภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักมีตาทอดลงไปนั่งในบ้าน90้ิภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่เวกผ้าไปนั่งในบ้าน11 12ิภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่หัวเราะไปนั่งในบ้านสิบสามสิบสีภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่พูดเสียงดังไปนั่งในบ้านสิบห้าสิบหกภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่โครงกายไปนั่งในบ้านสิบเจ็ดสิบแดภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่โกวยแขนไปนั่งในบ้านสิบเก้าิภิกษุพึงทาความศึกษาว่าเราจักไม่สั่นศีรษะไปนั่งในบ้าน 21- 22ภิกษุพึงตาำความศึกษาว่าเราจะไม่เอามือค้ากายไปนั่งในบ้าน 23- 24ภิกษุพึงตาำความศึกษาว่าเราจะไม่เอาผ้าคลุมศีรษะไปนั่งในบ้าน25่ิภิกษุพึงตาำความศึกษาว่าเราจะไม่เดินกรโยงเท้าไปในบ้าน26ภิกษุพึงาำความศึกษาว่าเราจะไปนั่งรัดเข่าในบ้านโภชนะปฏิสังยุตที่สองมีสาสิ 1. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะรับบิณฑบาตโดยเคารพ 2. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเมื่อรับบิณฑบาตเราจะกแลดูแต่ในบาต 3. าภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะรับแกงพอสมควรแก่ข้าวสุก 4. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะรับบิณฑบาตแต่พอเสมอขอบปากบาต 5. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักฉันบินทบาทโดยเขารบ 6. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเมื่อฉันบินทบาทเราจัก แ, แลดูแต่ในบาท7ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่ขุดข้าวสุกให้แหวง่ง 8. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักฉันแกงพอสมควรแก่ข้าวสุก 9. ภิกษุพ pues, ึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่เคยยุ่มข้าวสุกแต่ยอดลงไป10ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจะไม่กลบแกงหรือกับข้าวด้วยข้าวสุกเพราะอยากจะได้มาก11บภิกษุเพืงตามความศึกษาว่าเราไม่เ จ, hai, จ็บไข้จกไม่ขอแกงหรื อ, รอข้าวสุกเพื่อประโยชน์แก่ตนมาฉัน12บภิกษุเพื่อนทำความศึกษาว่าเราจะไม่ดูบาดของผู้อื่นด้วยคิดจะยกโทษ13บภิกษุเพืงตามความศึกษาว่าเราจะไม่ทําคํำข้าวให้ใหญ่นัก14บภิกษุเพื่อนทำความศึกษาว่าเราจะ ทำคำเข้าให้กลมกล่อม15บภิกษุพ ouais. ึงทำความศึกษาว่าเมื่อคำเข้าวยังไม่ถึงปากเราจะไม่อ้าปากไว้ท่า16บภิกษุพึงตทำความศึกษาว่าเมื่อฉันอยู่เราจะไม่เอานิ้วมือสอดเข้าปาก17บภิกษุพึงตทำความศึกษาว่าเมื่อข้าวอยู่ในปากเราจะไม่พูด18บภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่ฉันโยนคำเข้าวเข้าปาก สิกภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่ฉันกัดคำข้าว20่ิภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่ฉันทำกับพุงแก้มให้ตุยยี่ิภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่ฉันพลางสะบัดมือพลาง22่ิบสองภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่ฉันโปรยเมล็ดข้าวให้ตกลงในบาตหรือในที่นั้นๆ23นิบสามภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่ฉันแลบลิ้น 24. พิภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่ฉันดังจับจับ 25. พิภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจกไม่ฉันดังสู้สู้ 26. ่ิกภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่ฉันเลียมือ 27. พิภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่ฉันขอดบาด 28. พิภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจไม่ฉันเลียเลมฝีปาก29ิกภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจะไม่เอามือเปื้อนจับภาชนะน้ำสามสิภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่เอาน้ำล้างบาทมีเมล็ดเข้าวเทลงในบ้านธรรมเทศนาปฏิสังยุที่3มี16 1. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้มีร่มในมือ 2. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้มีไม้พลองในมือ สภิกษุพึงตทำความศึกษาว่าเราจะไม่แสดงทำแก่คนไม่เป็นไข้มีศัตราในมือสภิกษุพึงตทำความศึกษาว่าเราจะไม่แสดงทำแก่คนไม่เป็นไข้มีอาวุธในมือ5ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่แสดงทำแก่คนไม่เป็นไข้สวมเขียงเท้า 6. ภิกษุพึงตทำความศึกษาว่าเราจะไม่แสดงทำแก่คนไม่เป็นไข้สวมรองเท้า7 ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ไปในยาน 8. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้อยู่บนที่นอน 9. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้นั่งรัดเข่า10บภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้พันศีรษะ11ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้คลุมศีรษะ12ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเรานั่งอยู่บนแผ่นดินจากไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้นั่งบนอาสนะ13บภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเรานั่งบนอาสนะต่ำจากไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้นั่งบนอาสนะสูง14ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเรายืนอยู่จากไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้นั่งอยู่สิบห้า ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราเดินไปข้างหลังจากไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้เดินไปข้างหน้า16ภิกษุพึงทาความศึกษาว่าเราเดินไปนอกทางจากไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้ไปในทางปกินนกะที่4มี3 1. มภิกษุพึงทาความศึกษาว่าเราไม่เป็นไข้จากไม่ยืนถ่ายอุจจระถ่ายปัสสาวะ 2. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราไม่เป็นไข้ จักไม่ถ่ายอุจจร ะ, ะถ่ายปัสสาวะบ้วนเขละลงในของเขียว 3. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราไม่เป็นไข้จักไม่ถ่ายอุจจร ะ, ะถ่ายปัสสาวะบ้วนเขละลงในน้าอธิกรณ์มี4 1. ความเทียงกันว่าสิ่งนั้นเป็นธรรมเป็นวินยัยสิ่งนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัยเรียกวิวาธาิกร 2. ความจดกันด้วยอาบัตินั้ น, น, นเรียกอนุว า, าทิกรส อาบัตทั้งปวงเรียกอาบัตตาธิกรสี่กิจที่สงจะพึงทำเรียกกิจจาธิกรอธิกรณะสมถะมีเจ็ดทำเครื่องระงับอธิกรทั้ง4ี่นั้นเรียกอธิกรณะสมถะมีเจ็ดอย่างคือ 1. ความรักบัธิกรทั้ง4นั้ น, กก น, นในที่พร้อมหน้าสง์ในที่พร้อมหน้าบุคคลในที่พร้อมหน้าวัตถุในที่พร้อมหน้าธรรมเรียกสัมมุขาวินยัย 2. ความที่สงสวดประกาศให้สมมุติแก่พระอรหันต์ว่า เป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อจะไม่ให้ใครโจดด้วยอาบัตเรียกสติวินัย 3. ความที่สงสวดประกาศให้สมมุติแก่ภิกษุผู้หายเป็นบ้าแล้วเพื่อจะไให้ใครโจดด้วยอาบัตที่เธอทําในเวลาเป็นบ้าเรียกอมูรหะวินัย 4. ความปรับอาบัติตามปฏิญญาของตำรวยผู้รับเป็นสัตว์เรียกปฏิญญาตกรณะ 5. ความตัดสินเอาตามคําของคนมากเป็นประมาณเรียกเยปุยสิกา 6. ความลงโทษแก่ผู้ผิดเรียกตสัสสะปาปิยะศิกาเจความให้ประนีประนอมกันทั้งสองฝ่ายไม่ต้องชำระความเดิมเรียกตินนวัตธารกะวินัยสิขาบทนอกนี้ที่ยกขึ้นเป็นอาบัติธุรจใจบ้างทุกกฎบ้างทุกพาสิทธ์บ้า ง, างเป็นสิขาบทที่ไม่ได้มาในพระปาติโมกจบวินัยบัญญัติที่พวกเราฟังจบลงสักครู่นี้เป็นวินัยบัญญัติ ที่มาในพระปฏิโมก ค, คือสินสองร้อยี่สิบเจ็ดของพระของพวกเราทั้งหลายนี่แหละสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดนี่ว่าสินพระปฏิโมกถ้าสินนอกพระปฏิโมกแล้วว่าสินอภิษมาจารอันนั้นมีมากอันนี้สินมาในพระปฏิโมก ค, คือสินสองร้อยี่สิบเจ็ดที่พวกเราได้ฟังจบลงสักครู่นี้มีหลากหลาย คือปลดบัญญัติวินัยอย่างภิกษุเอาที่นอนไปปูที่นอนในกุฏิสงแล้วเมื่อหลีกไปจากที่นั่นไม่เก็บเองก็ดีไม่ใช้ให้ผู้อื่นเก็บก็ดีไม่มอบหมายให้ผู้อื่นเก็บก็ดีต้องปาจิตตินะให้แค่เอาที่นอนของสงไปปูนในกุฏิสงแล้วเมื่อหลีกไปจากที่นั่นตัวเองไม่เก็บเองก็ดี ไม่ใช้ผู้อื่นเก็บผูดีไม่มอบหมายให้แก่ผู้อื่นก็ดีต้องปาจิตติเพิกซุวางโต๊ะเตียงเก้าอี้ไว้ในหลังล้านที่เขายังไม่เก็บเขายังไม่ตึงขาให้แน่นเขายังไปเก็บอะไรอย่างเงี้ยวางระเกะระกะเพ็กษุขึ้นไปนั่งโต๊ะเตียงเก้าอี้เหล่านั้นต้องปาจิตติอันนี้ก็คือมีเป็นมาในครั้งปกติเจ้าแล้วคือขาโต๊ะ เก้าอี้มันยังไม่ได้ตึงให้แน่นบางทีเป็นัน่งก็เกิดความเสียหายบางทีมันก็ขาหลุดบางทีก็ตกหกขาเบนอย่างเนี้ยคือไม่ใช่วิธีจะไปนั่งอันนี้ในพระวินยัยถ้าเราได้ศึกษาถ้าเราได้ฟังแล้วเป็นความรอบครอบทั้งหมดสินสองรอยี่สิบเจ็ดของพระคือสรุปแล้วก็คือสินก็ ค, คือกฎระเบียบปินัย ในชีวิตประจำวันของพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้ฟังจบองศักครูนี้เพราะนั้นถ้าว่าพระนวกะองค์ใดอยากจะศึกษาเรื่องที่อ่านเมื่อกี้เนะี่ยก็คือค้นได้ที่ห้องสมุดนะมีมากอยู่หนังสือนวโกวาดเป็นความรู้หรือว่าสอบนักธรรมชั้นตรีนะถ้าว่าอ่านดูแล้วไม่เข้าใจตรงไหนกระถือมาให้ ผู้ที่ท่านเป็นมหาป ร, รียามีอยู่ในวัดของเรานะหมู่พกเพื่อนมหาน้อยมหารัตนามหาปัญญานะนะเรียกว่าหมู่พกเพื่อนศึกษาถามไทยหมู่พกเพื่อนก็จะอธิบายให้ฟังจะเข้าใจศีลวินัยนะ mm hmm. พวกเราที่อยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยศีลและวินัยถ้าว่าพระไม่มีศีลเหมือนกับพระไม่มีเสื้อผ้า ศีลคืออาภรณ์อาภรณ์ก็คือเสื้อผ้าถ้าว่าพระไม่มีผ้าเนี่ยมอนกับพระเปลือยกายอย่างนั้นอ่ะมันไม่น่าดูศีลก็คือเป็นเครื่องปกปิดความชั่วหรือว่าสิ่งที่อุจจารปาตาถ้าพระไม่มีศีลเดินไปที่ไหนทำที่ไหนพูดอะไรจะพูดอะไรก็พูดจะทำอะไรก็ทาตามอำเภอใจตามมัธาใจก็ ดูแล้วก็ไม่ไม่ดีไม่สวยงามรพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสิน227ข้ออย่างที่พวกเราทั้งหลายได้ฟังจบลงสักครุนี้เพราะนั้นให้พวกเราศึกษานะแต่สําหรับพระใหม่ผมเองก็ไม่อยากจะให้ศึกษาวิเนัยจนเกินไปแต่ก็ให้รู้เอาไว้ไม่ถึงกับในรายละเอียดแต่สําหรับพระเก่าแล้วควรจะศึกษา ควรจะศึกษาให้เข้าใจอย่างอย่างดีที่สุดว่างั้นแถอะอ่านแล้ว อ, อ่านอีกทบทวนแล้วทบทวนอีกให้เข้าใจอย่างอ่านจบสักครู่นี้นะสมัยผมเป็นเน น, ะ น, นผมท่องจบทั้งเล่มเลยนะตั้งแต่อนุสาสตร์อนุสาสตร์แปดอย่างจนถึงเกียรติค้านทําการงานหกนั่นน่ะทมวิภาคษด้วยกิหิปฏิบัติด้วยนโมกวานระบท่องจบทั้งเล่มเลยสมัยผมเป็นเนนนะ แต่นี่ก็หลงหลงหล ง, ล, ง ล, ลืมลืมเลือ ล, ลืมไปบ้างแต่ถ้าว่ามีคนพูดขึ้นมาผมไปทบทวนได้อีกอยู่อันนี้ก็คือปินนายและศีลเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆท่านนะที่เป็นพระเก่าที่จะอยู่ในจะเป็นผู้ดำรงทรงศาสนาเรื่องศีลเป็นไม่ใช่ของเล็กน้อยควรศึกษาควรจะศึกษาให้เข้าใจนะว่าศีลสมาธิปัญญา ศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อวศีล ส, สมาธิคือทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้เป็นหนึ่งทําจิตใจให้มั่นคงในเมื่อจิตใจสงบจิตใจมั่นคงแล้วจิตใจไม่หิวโหวยจิตใจแน่วแน่จิตใจเป็นตัวของตัวไม่หวั่นไหวควายแขว่งจิตใจนิ่งจากนั้นก็นํามาพิจารณาทางด้านปัญญา เมื่อถอนออกมาจากสมาธิแล้วนะพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอะไรด้านปัญญาปัญญาคือพระพุทธเจ้าท่านกำหนดให้ภาวนาคือให้ดูกรรมฐานห้าหรือว่าดูร่างกายหรือดูธาตุีอย่างนี้เป็นต้นมีมากมายที่พระพุทธองค์ให้ให้ใช้ปัญญาพิจารณาให้ดูนะ สรุปแล้วว่าให้เห็นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะเรื่องปัญญาที่จะเป็นมาได้นั่นก็คือเป็นมาจากศีลนั่นแนหะศีลคือรักษากายวาจาของพวกเราให้เรียบร้อยถ้าศีลไม่ดีแล้วดูการทําอะไรไม่น่าดูผิดต่อหลักธรรมพินัยการที่จะทําจิดให้สงบนั้นก็คงจะยากเ ห, ยเหมือนกับ คนขาดสติเองนั่นแหะคนไม่มีศีลเนยเพราะ น, นั้นเห็นตึงศีลเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งนะให้พวกเราศึกษาแล้วก็ให้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานะเอาตอนนี้ไปผมอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนฟังเอ็มพีสามทดลองดูสิเอ็มพีสามที่ผมอัดนั่นะฟังเครื่องกระป๋องดูสิยกินอาหารกระป๋องดูเแต่ว่าผมว่ากหน้า จะให้ผมพูดอิบมันก็ยืดยาวนะเอาเทปพูดดูสิว่าเป็นยังไงเทปก็คือคําพูดของผมนั่นแหละพวกเราเข้ามาก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังนะถ้าไม่ได้ยินได้ฟังแล้วจะเกิดสติปัญญาความรอบครอบนั้นจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังฟังครั้งนี้บ้างฟังครั้งหน้าบ้างในขณะที่ฟังนะเราไม่ต้องส่งจิตไปที่อื่นให้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกในใจ นั่งกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกขณะที่ฟังนะฟังเทป ฟ, ฟังเ p สะเปิดฟังแล้วก็กำหนดจะให้มันปูงฟุ้งออกไปข้างนอกถ้าจะบริกรรมพุทธโทรพุทธโธด้วยก็ยังได้นะหรือกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติอยู่กับตัวเองแล้วก็เสียงเข้ามาพวกเราจะกำหนดได้ว่าพูดเรื่องอะไรนะ